พลิกอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้เจอข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่างกำต่างวาระกันหลายแห่งมันไม่ใช่เป็นข่าวอุบัติเหตุที่เราเคยได้ยินทั่วไปเช่นรถชนรถควม่มอย่างที่มักจะได้ยินในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็น ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นประจำมันก็เลยกลายเป็นข่าวดังอย่างข่าวแรกก็เป็นข่าวที่คนไทยนะไปพลัดตกหน้าผาที่ภูฐานหรือภูตานนะขณะที่ไปเที่ยวไปเรียกว่าไปสแสวงบุญก็ได้นะที่วัดทักสังหรือตักสังนะซึ่งเป็น ว่าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูฐานแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามอยู่บนเขาไปยากต้องเดินกันหลายชั่วโมงคนไทยก็ไปถ่ายรูปโดยเลือกเอาตรงมุมที่คิดว่ามันจะถ่ายรูปได้สวยที่สุดแต่ก็เป็นมุมที่ไม่มีรั้วกัน้น ไม่ทราบว่าถ่ายรูปเองหรือว่าคนอื่นถ่ายก็เกิดพัดตกลงไปในหน้าผาช่วงใกล้ๆวันปีใหม่แล้วก็ถึงกับความตายก่อนหน้านั้นก็มีข่าวรถที่ไปจอดรถที่ห้างสรรพสินค้า แล้วก็กำลังลงมาที่จอดเริ่มก็สูงหลายชั้นนะเจ็ดแปดชั้นได้ขณะที่ลงมาก็ปรากฏว่าไปเหยียบจะเรียกว่าเหยียบคันเร่งก็ไม่เชิงนะแต่เอาเป็นว่าแทนที่จะแทนที่จะเหยียบเบรกมาปรากฏว่าคันเร่งนี่มันกลับทำงาน รถมันก็เลยพุ่งไปชนไปชนรั้วนะแล้วก็ตกลงไปสูงจากพื้นดินก็เจชั้นนะตกลงไปก็ถึงกับความตายแล้วก็ช่วงเดียวกันปีใหม่นี่ก็ได้ข่าว คนญี่ปุ่นเขามีการมีประเพณีนะกินขนมโมจิไอ้โมจิญี่ปุ่นกับโมจิไทยหรือที่นครสวรรค์ก็ไม่เหมือนกนะันทีเดียวนะชื่อมันเหมือนกันเพราะว่ามีคนตายเพราะว่าโมจิติดคอเนี่ยถึง9คน10คนตายเพราะโมจิติดคอนะข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวเล็กๆนะแต่ว่ามันก็ นะชวนคิดเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสามข่าวก็เป็นเรื่องของความพลังเผลอนะความเผลอเรอนะ่อคนหนึ่งก็ตกหน้าผาตายนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็กินอาหารกินขนมที่เชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลนะก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นอุปกรณ์สังหารนะ ทำให้ถึงแก่ความตายถ้าเกิดเหตุแค่คนสองคนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่นี่เป็นเกิดขึ้นเป็น10เลยนะในกรณีที่รถนี่พุ่งนะชนอพุ่งตกลงมาจากที่จอดรถนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าในสุขพบ ว, ว่ามันมีขวด น้ำเนี่ยนะขวดน้ำเนี่ยมาไปอยู่ใต้คันอยู่ใต้คันเบรกมันก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันก็คงจะไหลกลิ้งไปนะตอนที่รถเนี่ยลาดลงมาขับรถล่าลงมาเพื่อที่จะลงจากที่จอดรถมันก็ไปขัดอยู่ใต้คันคันเบรกเนี่ยเจ้าตัวซิเป็นผู้หญิงนี่พอ เหยียบเบรกนะเพราะว่าเหยียบไม่ได้แถมไอ้ส่วนหัวของขวดเนี่ยมันก็ไปมันก็ไปเกย อ, อยู่บนคันเร่งนั่นก็หมายความว่าพอเหยียบเบรกเนี่ยนอกจากเบรกไม่ทางานแล้วมันก็ไปดันดันดันไปกดรถขวดนี่มันก็ดันไปไปกดคันเร่งเอาไว้ก็ทาให้รถมันเร่ง ความเร็วเจ้าตัวคงจะตกใจนะพอเห็นรถมันเร่งเร็วเนี่ยตกใจทำไงตกใจก็เหยียบเบรกแต่พอยิ่งเหยียบเบรกมก็ยิ่งไปทำให้คันเร่งเนี่ยมันถูกกดมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่ารถมันพุ่งนะตกลงไปนะกระแทกกับพื้นดินคนขับก็ตาย อันทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เชื่อเห็นในเรื่องของอสติในสำคัญมากทีเดียวมาเป็นเพราะว่าพอขาดสติแล้วเนี่ยไม่ว่าเวลากินขนมโมจิหรือว่าเวลาถ่ายรูปแล้วมันก็เกิดความพังพลาดเผลอเลอขึ้นมาได้คนที่ขับรถก็เหมือนกันนะพอเขาตั้งใจเหยียบเบรกแต่ว่ามันกลับไปทาให้รถนี่ พุ่งเร็วขึ้นเนี่ยไอ้ความที่ตกใจก็เลยทําให้เหยียบเบรกหนักกว่าเดิมก็ทําให้คันเร่งนี่มันถูกกดมากขึ้นถ้าก็มีสติกนะ็จนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนใจนะตัดสินใจไม่เหยียบเบรกแต่ว่าทําให้รถมันหยุดซะเช่นดึงกุญแจรถหรือว่าปิดปิดเครื่องดับเครื่องนะมันก็จะช่วย ทำใหนะ้ไม่ตกลงไปกระแทกกับพื้นดินตายได้ในยามวิกฤตแบบนี้นะคนส่วนใหญ่ก็ตกใจไอ้สติที่มีก็ไม่พอนะที่จะมาใช้รับมือกับเหตุการณ์ได้รถยนต์แทนที่มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่พาเราไปาไปไหนตอนไหนนะมันกลับพา ผู้คนหรือคนบางคนเนี่ยสู่ความตายได้กรณีที่ว่ามันนี่มันก็แตกต่างจากข่าวอุบัติเหตุที่เราได้ยินกันทั่วไปนะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เราได้ยินส่วนใหนญ่ก็เป็นเพราะความเมาไม้ความเมากินเหล้าเมามาแล้วก็ขับรถก็เลยความบังชนต้นไม้บ้างอย่างที่ครูที่บ้านตัดดินทองก็ขับรถชนต้นไม้ตายเพราะความเมา เมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าทั้ง3กรณีที่พูดวานี้ทุกพูดมานีาไม่ได้มีความเมาอะไรแต่ว่าไม่มีสตินะหรือว่าพลังก็เลยทาให้พลังเผลอพลังพลาดนะจนเกิดเหตุร้ายขึ้นหรือว่าพอมีความพลังพลาดแล้วสตินะมันมาไม่ทันก็ยิ่งทำให้มันแย่หนักขึ้น รถยนต์หรือว่าหน้าผานี่ที่อิ่มก็มีอันตรายของมันนะแต่ว่าไอ้โมจิเนี่ยมันไม่น่าจะมีอันตรายเลยแต่ก็กลับทำให้คนตายได้เพราะว่าไม่มีสติการทะลาะพิจารณาข่าวแบบนี้เนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยไอ้สตินี่มันสําคัญมากมันสําคัญถึงขั้นความเป็นความตายเลยทีเดียวทั้งทั้งที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุการณ์ในชีวิตปกติขับรถก็ดีขับรถลงออกจากที่จอดรถก็ดีกินขนมก็ดีนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่สสรจะธรรมดาสามัญมากแต่พอไม่มีสติเสร็จแล้วนี่มันก็อาจทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องโตถึงขั้นลมหายตายจากได้แต่ถึงแม้คนเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใน เหตุการณ์แบบนั้นอาจจะไม่เจอในเหตุการณ์แบบนั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่น้อยมากมายนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะซึ่งทำให้เรานะเกิดความทุกข์เกิดความกลัวกุ้มใจไอสติที่มีมันก็ไม่พอเหมือนกันนะในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นแม้วจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้คอขาดบาดตายหรือไร้แรงอะไร จริงๆคนเราเนี่ยถ้าหาตระหนักว่าไอเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตหรือคอขาดบาดตายเนี่ยหรือรอดแหลมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ได้และถ้าเราตระหนักว่าสติสาคัญเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะการเอาตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้อ่ ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยบางทีมันก็จำเป็นเหมือนกันนะในการที่ทำให้เราได้ฝึกในการที่จะตั้งสติเพราะคนเราเนี่ยถ้าจะตั้งสติโดยที่เราจะมีสติในเหตุการณ์ที่หน้าสวหน้าขวานเนี่ยโดยอัตโนมัตินี่มันยากมันต้องผ่านการมันต้องผ่านการฝึกการฝนหรือว่า มีความคุ้นเคยนะกับเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อนนะมันถึงจะตั้งสติได้ทันเมื่อคนที่ต้องขึ้นไปพูดในที่ในที่ชุมชนเนี่ยคนฟังเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเป็นใครก็ประมาททั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าว่าได้นะพาตัวขึ้นไป ขึ้นพูดในที่ชุมชนในสถานาที่อาจจะน่วิตกน้อยกว่านี้เช่นพูดต่อหน้าคนสิบคนยี่สิคนพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยใหม่ๆก็ประมานนะแต่ว่าพอพูดไปพูดไปนะมันก็เริ่มมีสติสามารถจะรับมือความประมาได้แต่บางคนก็ไม่ยอมเลยนะ พอรู้ว่าถ้าไปพูดต่อหน้าผู้คนแล้วนี่จะตกใจหรือว่าจะตื่นก็ไม่ยอมเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเขาจะสามารถจะรับมือความประมาได้อย่างไรเพราะว่าไม่ไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเจอนะแต่ถ้าหากว่ารอลองที่จะพาตัวไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความประมาแล้วก็ไม่หนีไม่ท้อแต่แต่ว่าสู้กับมัน เราก็เจีเยนรู้วิธีที่จะรับมือกับความประมาทได้ถึงเวลาต้องไปพูดในที่ชุมชนที่คนเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่มนก็ถือไม่เคยพูดอย่างนั้นมาก่อนในที่แบบนั้นมาก่อนแต่ว่าประสบการณ์ที่มีได้เคยรับมือกับความประมาทในเหตุการณ์ที่เล็กๆ เ, เล็กกว่านั้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พอที่จ ะ, ะควบคุมจิตใจได้พอที่จะตั้งสติ แล้วก็สามารถที่จะพูดให้มันจบลงได้ด้วยดีความกลัวก็เหมือนกันนะหลายคนก็เวลาอยู่ในเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวหรือที่จริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเช่นความมืดนะหรือการอยู่คนเดียวพอกลัวแล้วเนี่ยก็ก็หนีเลยนะ กลัวแล้วก็หนีก็เลยไม่เลยรู้ที่จะรับมือกับความกลัวไม่เลยรู้ว่าเราจะตั้งสติอย่างไรนะเมื่อความกลัวเกิดขึ้นแล้วถึงเวลาพอไปอยู่ในสถานาที่มันเรียกว่าสะเทือนขวัญหรือว่าหน้ากลัวถึงขั้นชีวิตเนี่ยแล้วจะรับมือกับมันได้อย่างไรนะส่วนใหญ่ก็นะสอบตก แล้วก็ถ้สอบตรงในเหตุการณ์แบนั้นบางทีมันเสียหายร้ายแรงนะกว่าหเหตุการณ์เล็กๆที่มันสามารถจะเป็นแบบฝึกหัดให้กับเราได้เห่นการณ์ที่เราพาตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบไม่ว่าที่มันจะทําให้เกิดความประมาททาให้เกิดความตื่นตกใจหรือว่าทําให้เกิดความทุกข์นะเช่นเจ็บปวดเนี่ย ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรหนีนะควรที่จะเข้าไปเผชิญกับมันถือว่ามันเป็นแบบฝึกหัดนะเป็นเครื่องฝึกให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันต่อต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์นะที่ปรากฏจะเป็นความกลัวจะเป็นความประมา ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งความโกรธนะอันนี้จะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้าเร า, าปฏิบัติธรรมแต่ในที่ที่มันสบายนะไม่มีอะไรที่จะมาคุกคามให้เรากลัวไม่มีอะไรที่จะมาบีบคั้นให้เราเป็นทุกข์นะหรือไม่มีสิ่งที่ยั่วยุให้เราโกรธเนี่ยนะพอเราไปเจอเหตุการณ์เหล่านะั้นจริงๆเนี่ย เราก็จะตกมาตายได้ง่ายแลวบางทีราคานะหรือว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันร้ายแรงนะอย่างเช่นนะเจอเหตุการณ์ที่มันถึงขั้นร้ายแรงมันร้ายแรงถึงขั้นชีวิตเนี่ยจะตกใจพอตกใจทำอะไรไม่ถูก ไอ้สิ่งที่ทําไปนี่มันกลับยิ่งทําให้เหตุการณ์มันรุนแรงมากขึ้นอย่างผู้หญิงที่เขาแทนที่เขาจะพอกีบเบรกเนี่ยมันกลับรถมันกลับพุ่งกระชากเนี่ยแทนที่จะเลิกเหยียบเบรกนะก็กลับเหยียบเบรกเข้าไปอีกนะมันก็ยิ่งพุ่งกระชากหนักเข้าไปถ้ามีสติเนี่ยก็จะไม่ทําอย่างนั้นนะ หรือคนที่เวลาเกิดไฟไหม้ในขณะที่อยู่ในห้องประชุมในในโรงหนังหรือในขับในบาร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอตกใจทำไงตกใจก็วิ่งพอวิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็เหยียบกันตายนะเพราะว่าธรรมชาติคอเราพอตกใจแล้วเนี่ยมันมันต้องทำอะไรสักอย่าง ในทางที่ถ้าใช้สติก็จะรู้ว่าไอ้การทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันกลับทำให้แย่ลงทำให้สาการแย่ลงบางทีก็กรูกันไปนะมีไฟไหม้ ก, ก็วิ่งกรูกันไปถอาคนที่เขามีประสบการณ์นี้เขาก็จะบอกเลยนะว่าอย่าวิ่งตามกันไปปล่อยให้เาปล่อยให้คนคนอื่นเขาวิ่งกันไปก่อน แล้วก็คอยดูว่าเนี่ยไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยวิ่งกลับมาหรือเปล่าถ้าวิ่งกลับมาสแสดงว่าทางตันถึงตอนนั้นก็ต้องพยายามที่จะหลบนะอย่าไปยืนขวางทางเดี๋ยวก็จะโดนเหยียบแลต้นะต้องเดินหรือต้องยืนแอบๆบแบบข้างฝาไว้แต่ถ้าเกิดคนที่กลูกันไปเขาไปแล้วไม่กลับสแสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วเราก็วิ่งตามไปทางนั้น ไอคนจะทํางี้ได้มันต้องมีสตินะเพราะว่าธรรมชาติคนที่เวลาเจอเหตุการณ์ตกใจมันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งอะนะแล้วก็วิ่งกลักันไปใครใครนำํำพอมีคนนําคนหนึ่งก็วิ่งตามโดยที่ไม่รู้ว่าไอที่ตามเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าสัญชตาตญาณฝูงเนี่ยมันจะเริ่มทํางานนะเวลาตกใจเนี่ยมันจะตามคนไปตามคนที่เป็นผู้นําไปซึ่งคนที่เป็นผู้นํานี่มันก็ ไม่ได้รู้อิหนอิเนอะไรนะแต่ว่าวิ่งไปตามสัญติยานมันก็เหมือนกับพวกที่เวลาหุ้นราคาตกเนี่ยก็พากันเทขายไม่รู้แรงซิ้นก็เทขายไปก่อนตกใจเห็นกน็อื่นขายก็ตัวเองก็เทขายบ้างนะพวกแมงเม่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเพราะความตกใจเห็นใครทำอะไรก็ทำตามทันที มันก็ยิ่งทาให้สถานการนี้เยวร้ายมากขึ้นทุนก็แทนที่จะ ก, กระเตุ้นก็ตกนะตกรูดเลยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่หรือว่าพอเศรษกิจไม่ดีคนเริ่มมีคนนึงเริ่มถอนเงินจากธนาคารคนหนึ่งก็ตามมัง่งถอนเงินจากธนาคารมัง่งทำให้ธนาคารมันเจ๊งภายในเวลาไม่นานก็ทําให้ซ้ําเติมเหตุการณ์ให้รุนแรงมากขึ้นนี่ธรรมชาติคนเราเนี่ยพอ ไม่มีสติแล้วเนี่ยนะมันหรือพอมีความกลัวครอบงำความตื่นตกใจครอบงำแล้วมันก็ทำตามสัญชตาตญาณหมูอันนี้เป็นเพราะว่านะไม่เคยที่จะฝึกใจรับมือนะกับความตื่นตกใจที่เกิดขึ้นจะถ้าเกิว่าเราลองนะพาตัวเข้าไปในเหตุการณ์ที่มันทำให้เราตื่นทำให้เราตกใจบ้าง ประเภทระดับเบอๆนะมันก็จะเป็นการฝึกให้เราได้รู้วิธีที่จะตั้งสติกับเหตุการณ์เหล่านี้เมืนะ่อเหมือนกับความกลัวก็เหมือนกันนะความโกรธเนี่ยบางคนเนี่ยพอเจอเหตุการณ์อะไอย่างที่ทาให้โกรธจะลืมตัวลืมตัวก็เลยนะทำร้ายข้าของหรือทำลายคนที่อยู่ใกล้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ลองเจอกับความโกรธ ลองเจอความโกรธแบบเบาๆดูบ้างแล้วก็ดูว่าเออเรารับมือกับมันได้ไหมสติตามทันหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะเผลอนะเผลอโกรธไปแล้วนะแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่านี่เราพลาดไปสติเรายังอ่อนอยู่นะก็กลับมาฝึกนะกลับมาเจริญสติให้มากขึ้นยังถ้าเรามองแบบนี้เนี่ย แม้แต่เหตุการณ์ที่แย่ๆที่มันทําให้เรากลัวทําให้เราทุกข์ทำให้เราโกรธทำให้เราขุ่นเคืองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเราก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดซะเลยในไหนมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้จักใช้ประโยชน์จากมันอันนี้เรียกว่าฉลยโอกาสนะนหลวงพ่อเขียนท่านผููอยู่เสมอว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้จักฉลยโอกาส นะช่วโอกาสที่ว่านี้ไม่ได้ช่วโอกาสเฉพาะเวลามีเวลาว่างนะว่างก็มาเจริญสตนะิหรือช่วโอกาสจากอิริยาบถจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันเช่นล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ํากินข้าวาหั่นผักทําครัว น, นั้นก็เป็นการช่วโอกาสอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องรู้จักช่วโอกาสแม้กระทั่งเวลาเหตุเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นมาที่มัน มากระตุ้นให้เราโกรธหรือว่ามาคุกคามเราให้เราเกิดความตื่นตกใจให้ถือว่าเออเป็นของดีนะจะได้มาฝึกให้เร า, ารู้จักตั้งสติเจอมาบ่อยๆเจอเหตุการณ์นี่บ่อยๆเนี่ยนะถ้าากว่าเราเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เนี่ยสติเราก็จะดีขึ้นสติเราก็จะไวขึ้นเราจะมีภูมิคุ้มกัน นะต่อไอเหตุการณ์เหล่านี้มากขึ้นแต่ ก, ก่อนก็เคยตกใจนะแต่ตอนนี้ไม่ตกใจแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยมันละแต่ ก, ก่อนกลัวแต่ทีนี้เราไม่กลัวแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันนะเราเรารู้นะช่องทางนะที่จะรับมือกับมันแต่ ก, ก่อนเจอแค่นี้ก็โกรธแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่โกรธแล้วเพราะว่านะเรารับมือกับมันได้ ซึ่งที่จริงหลักไม่ก็คือฝึกสติให้รู้จักเห็นมันเมื่อเราเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะในอารมณ์เหล่านั้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้พอเจอคนมาต่อว่าด่าทอแต่ก่อ น, นี่ไม่ต้องแค่ต่อว่านะไม่ต้องแค่ด่าทอแค่ต่อว่านี้ก็หัวฟาดหัวเวียงแล้ว แต่หลังจากที่เราเจอแบบนี้บ่อยๆเรารู้จักสรุปบทเรียนเราถือว่ามันเป็นเครื่องฝึกให้เรามีสติทีนี้นี่อย่าว่าแต่ต่อว่าเลยนะแม้จะทั้งด่าทอนะใจเราก็สงบได้นะเพราะว่าเราได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกด้วยการคิดเอานะแต่ว่าฝึกจากการที่เราได้ลองนะลองเจอกับเหตุการณ์นะอันนี้เรียกว่าอ่านะ เป็นการฉวยโอกาสเอาเหตุร้ายที่ใครๆไม่ชอบไม่อยากเจอเนี่ยแต่เมื่อต้องเจอแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ซะเลยเอามาเป็นเครื่องฝึกใจให้เรามีสติมีความว่องไวปราดเปรียวในการรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นนักปฏิบัติเราต้องต้องต้องเรียนรู้นะที่จะฝึกฝนจิตใจ กับเรื่องราวแบบนี้บ้างนะเพราะว่าที่จริงมันก็คือการมีสติเมื่อเกิดผัสสะนั่นเองอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะริ้นได้รสหูได้ยินหรือว่าจมูกได้กลิ่นหรือว่ากายเนี่ยมันไปมีสิ่งมาจับต้องมาถูกต้องมาสัมผัส ้สิ่งนี้มนสามารถจะทำให้เกิดทุกขเวทนาและปรุงแต่งนะเป็นความโกรธความกลัวหรือแม้กระทั่งราคะนะความอยากจะมาครอบครองนะถ้าเราไม่มีสตินะทันกับอารมณ์เหล่านี้นะมันก็จะลุกลามบานปลายนะครอบงมจิตใจแล้วก็ทำให้เราอ่าลืมตัวลืมตัวจนถึงขั้นว่าหมดเนื้อหมดตัว หรือว่าเสียพูดเสียคนไปเลยก็ได้แต่ว่าเสียพูดเสียคนก็ยังดีนะมันมีโอกาสแก้ตัวกลับมากลับมาแก้ไขใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ถึงกับต้องตายเลยนี่นะมันก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกมา บ, าบานะ่อยๆนะเราสติเราก็จะไวขึ้นปราดเปเรียวขึ้น การที่เราเจอทุกบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นจุดอ่อนนะเห็นจุดอ่อนของมันการที่เราเจอกิเลสบ่อยๆเจออารมณ์อกุศลยู่บ่อยๆก็ทำให้เราเห็นจุดอ่อนของมันมนุษย์เราเนี่ยนะร่างกายเราก็กําลังวังชาก็ไม่มากแต่ทําไมเราสามารถที่จะควบคุมสัตว์ใหญ่ได้นะไม่ใช่แค่วัวควายเท่านั้นนะแต่ว่าช้าง เพราเรารู้จุดอ่อนของมันหลวงพ่ออมเข่งก็พูดอยู่บ่อยๆนะว่าไอ้พวกนี้นะมันก็มีจุดอ่อนมนุษย์เรารู้จักจุดอ่อนของมันเช่นวัวควายนี่ก็สนตะพายมันมันก็เสร็จแล้วหรือว่าช้างนี่ก็มีตะขอหรือว่าประตักนะมันก็อยู่ในอำนาจแล้วอกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันก็ถึงแม้ว่ามันจะ สามารถเล่นงานเราจนหมดเนื้อหมดตัวได้แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนของมันเหมือนกันเราจะรู้จักจุดอ่อนของมันได้ไรก็ต้องเจอมาบ่อยๆนะมือกับนักมวยที่ต้องประสิมมือกันบ่อยๆนะก็จะรู้ก็จะรู้ทางกันรู้จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึง่งไอ้ความแบบนี้นี่มันไม่ใช่เกิดจากการคิดเอานะแต่มันเกิดจากประสบการณ์จริง ถ้าเราเจอกับอารมณ์แบบนี้บ่อยๆเราก็จะเห็นจุดอ่อนของมันนะถ้าจุดอ่อนของมันจริงๆก็คืออะไรนะเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆถ้าเรารู้เฉยๆนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้ไอนะการรู้เฉยๆนี่มันมีอนิส า, านุภาพมากนะมีเด็กคนหนึ่งเขาเล่าฟังนะเขาอายุสิบขวบและมีช่วงนี้เขาฝันร้ายนะ ฝันร้ายฝันร้ายคือว่ามีพวกปีศาจมีซาตานเนี่ยพวกผีร้ายเนี่ยวิ่งไล่ล่าเขาเด็กก็วิ่งนะวิ่งเนียออกจากบ้านมันก็วิ่งตามเด็กก็วิ่งไปจนถึงบ้านบ้านหนึ่งเป็นบ้านเพื่อนไปถึงก็รีบเปิดประตูแล้วก็จะรีบปิดประตูเพื่อไม่ให้มันเข้าเพราะว่าปิดไม่ทันมันก็วิ่งเข้ามาได้ วิ่งตามมากระชั้นชิดเด็กก็วิ่งหนีแต่ว่าวิ่งไปปรากฏว่าไปติดฝาผนังไปต่อไม่ได้ไอ้ไอผีร้ายมันก็วิ่งตามมาพอเด็กเขารู้ว่าไอ้ปีศาจร้ายเนี่ยมันใกลยย้จะมาถึงตัวแล้วเขาก็ตกใจร้องแล้วก็ตื่นจากความฝันขนาดตื่นจากความฝันก็ยังกลัวเลยนะเป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน แล้วหนึ่งก็เาก็เล่าใ ห, ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ถามนว่าหน้าตาเป็นยังไงบอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเอาแต่วิ่งตลอดเลยก็ฉุกคิดเลยเออเราไม่รู้เลยนะ่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนถามก็ตอบไม่ได้ขณะที่โดนมันวิ่งไล่เนี่ยไม่รู้กี่คืนกี่คืนแล้วแล้วหนึ่งเด็กก็ฝันดกนะ เหมือนเดิมเลยนะมันก็วิ่งไล่ปีศาจหลายตัววิ่งไล่เด็กก็วิ่งหนีฝันร้ายมันก็จะซ้ําเดิมแล้วก็วิ่งไปถึงบ้านของเพื่อนก็เปิดประตูแต่ไม่ทันจะปิดประตูมันก็สามารถจะลอดเข้ามาได้มันวิ่งไล่ตามเด็กจนทางเด็กเนี่ยไปติดประชิดฝาผนังขณะที่ปีศาจนี่มันใกล้มาประชิดตัวแล้วเด็กก็ จู่ๆก็ตึกขึ้นมาได้เฮ้ยเราไม่เคยหันหน้ามาเห็นหน้าไม่เคยหันหน้าไปดูมันเลยจากก็โลโลความกล้าในฝันนะแล้วก็หันหน้าปเผชิญไงไอ้ปีศาจร้ายพอปีศาจนี่แทนที่มันจะกระโจนเข้าหานี่มันหยุดเลยนะแล้วมันก็กระโดดยงเยงยงเ ย, ย, ย, ยงตรงนั้นแหละและพอเห็นไอ้ปีศาจร้ายนี่เด็กก็รู้เลยว่าที่แทนนึงก็คือตัวการ์ตูนที่เขาอ่านในในนังจากหนังสือ ก่อนนอนที่เขาอ่านหนังสือเนี่ยพวกปีศาจร้ายพวกนี้ยกระตูนอ่านกระตูนเกี่ยวกัหนังกระตูนพวกปีศาจร้ายเนี่ยกระตูนญี่ปุ่นน่ะ น, นะจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเลยนะเปนสิ่งที่เขาติดตามขึ้นมาจากกระตูนจากหนังสือที่เขาอ่านแล้วก็ไปตามล่านในฝันนะแต่ทันทีที่เด็กได้เห็นแล้วว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรเลยนะบอกว่าหลังจากนั้นนี่เขาก็หายกลัวเลยไม่มีฝันร้าย พอเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ผีสางที่ไหนนะมันก็คือตัวละครจากหนังสือที่เขาอ่านนั่นเองเขารู้ได้ยังไงเขารู้จากการที่ไปเผชิญหน้าดูมันแล้วก็จากในฝันก็เห็นเลยนะว่าเพียงแค่แเขาจ้องหน้ามันมันก็ไม่กล้าทำอะไรเขาต่อไปเลยมันก็กระโดดยงเยงยงเยงอยู่ตรงนั้นแหละไม่กล้าโจรเข้าหาอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์นะสอนใจดีๆนะว่า อารมณ์ที่มันเหมือนกับปีศาจนะที่มันเล่นงานเราเนี่ยจุดอ่อนของมันมคือนะการที่เห็นมันถ้าวิ่งหนีมันเนี่ยมันก็ยิงวิ่งไล่วิ่งไล่ล่ า, ลานะแต่พอเห็นมันนี้มันก็อยอมแพ้ที่หลวงพ่อท่านสอนมาเห็นให้รู้ซื่อหรือเห็นจะกเข้าไปเป็นเนี่ยอันนี้แหละคือ สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของมันนะคือพอมันถูกเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอำนาจแล้วอำนาจมันก็หมดัาการที่เราฝึกนะให้เห็นนะบ่อยๆไม่ค่อยไปเป็นไม่ๆมันก็เห็นไม่ได้สักทีเจอทีไรก็เข้าไปเป็นนะถูกมันเล่นงานแต่พอเรามีสติไว้พอเราก็เห็นมันเห็นมันบ่อยๆ นะมันก็ทำอะไรไม่ไดนะ้ให้การเห็นนี่มันมีอนุภาพนะการเห็นหรือว่ารู้ซื่อๆนี่มันมีอนุภาพและเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสตินะอันนี้มันมันแพ้มันแพ้ทางนะไอ้กิเลสพวกนี้มันแพ้ทางคือว่าถ้าเราหลงไปเลยนะเราก็เสร็จมันแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะมีสติมันก็ยอมแพ้อันนี้แหละคือ คือจุดอ่อนที่ทําให้เราสามารถที่จะควบคุมมันในอำนาจได้เหมือนกับที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะช้างหรือว่าสัตว์ตัวใหญ่ให้อยู่ในอํานาจได้ไอ้เราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ปฏิบัติบ่บบอยๆเจอมัน บ, บ่อยๆเจอมันนะถึงแม้ว่าจะโดนมันเล่นงานซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้แล้วก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆใช่นการที่เราเข้าไปเจอกับ อารมณ์เหล่านี้หรือเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะเป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาแต่นี้มันตะพึตงพือนะเจอที่ไหนที่ทําให้เรากลัวแล้วก็หนีเจอที่ไหนทําให้เรากลัแล้วก็หนีเจอที่ไหนที่ทําให้เราตื่นตกใจเราก็ถอยนะอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่เฉลามันก็ทําให้เราไม่ไม่โตสักที ถ้าเราหนีมันล่ำไปมันก็จะยิ่งมีอำนาจเหนือเราและถึงวันดีคืนดีนี่มันก็สามารถทําให้เราย่าแย่ได้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็ตื่นตกใจนะจนกระทั่งทําอะไรไม่ถูกไอทำอะไรไม่ถู ก, ไไถกนี่ก็สามารถจะมีผลถึงตายได้นะอย่างตัวอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเราคําดียะพูดเท่านี้นะครับครับ